ท่านหลายๆตั้งใจฟังคำอธิบายในการปฏิบัติทุก ท, ท่านการเจริญวยกรรมฐานพบรรดาท่านจะบริจาทุกท่านเพือทาความม่หมายงอยคสมเด็จาสมมาเจา้จาพระพิจฉาเพ่อพรทเจ้าที่สอให้เราเจริญวิกรรมฐานในการปฏิบัติในทางามณี น, นัย เพราะว่าองค์ขงจิตรจอมไทยปรมาศ์สันดาหรเหนว่าการเกิดแก่เจ็ดตายมันเป็นทุกข์เกิดมาชาตินี้แก่แล้วก็ป่วยแล้วก็รักตายแก่ของรับก็ต้องตายนี่ถ้าไมาตายนี่มันหานี้เทียนศพไม่ได้มันไม่ศูนถ้าเราสร้างอรมดีกรรมที่เปบุญศุลก่อนที่จะตายจิตกลับกรรที่เป็นบุญศุลเราเท่าไหรูนยก็ดี ถาไมา่ปกติก็หมายถึงว่าสวรรค์เหนือภพหรือว่ิพพานเป็นแดงของความสกถ้ากําลังใจเราชั่วเข้าหมองปิดใจมีอยาวะจิตใจไม่ตรงไปในความดีเป็จิตใจไม่เคารพเป็นสิ่งห้ามก็ดีเป็นจิตใจมีความวุ่นวายในกานิชานสินดาบก็ดีมีความหยาดย้อยจิตใจทำหมอง ถ้ายในขนั้นั้นจะก็ไปสู่สุคติสุิก็มีนรกเกิดจตกายปฏิบัญนเป็นต้นมีการที่จะเกิดใดที่ความสุขจะเป็สวรรค์แดนานกลางในกระจานมนุษย์กระดาที่มีความทุกข์เป็นนรกเกิดตกายปฏิบัญชันในดนต่างๆนี้ก็หมายความสุขทิ่ใช้สิงมีดายอยที่ติสุสวรรค์นร แต่เกิดเป็นกลุ่มได้เป็นยุวจาหมดกลุ่มเป็นสาวารีเ็นลบลงลงมาเกิดเป็นคนก็ยังดีดีไม่ดีก็เลยจะเป็นนรกัสสาวเป็นเปรตเป็นกายชาติชั้นเมื่อกายเกิดถ้าเราผิดพวกเรายังไม่บริสุทธิ์เพียงใดก็ต้องเย็นไหวตายถือในกษัตแบบนีอารีมีศึกขสุดไม่ได้บานใช่ก็เป็นชุดก็เกิดเป็วรรนี่ผม ปายชายกเกิดจากที่ความสกความทุกขั่วกันเกิดเป็นมนุษย์ปลายชาเกิดูมีนรกเป็นต้นนาการสูกไม่ได้เลยี่ทุกอย่างเียอันนี้ทรเจ้าทรงควายหรือว่าโมกข์ํานเคยทำในเครื่องคนจากการวนไปวนมาแบบนี้ีอยู่สนเด็จพะอมาโกทงทราแตุ่ที่ไม่มีการวนอยู่ระวัติการตลอดไหม แล้วก็มีในความสุขไม่มีความทุกข์เกี่ยวสองเลยหายความหนักใจไม่เป็นเว้นได้และปลอชีวิตคนเมื่อเวาพ้มจะเขยิมาลงจากอย่างนี้สุดท้ายมีจึงนำมาดับสู ต, ส ต, สตนี้มาสอนขามอกเราเรล่าผบ้ิบัติมีคนที่จะไปนไิควานได้จริงๆจะต้องมีประกอบไป็นแบบนี้ขึ้นหนึ่งอุจจาระฉาบจากาทางใจโวิสจะเป็นการตัดโลภความโลภ ไม่รู้จักการให้การสงเคราะห์แต่ไม่รู้จักกา ร, รยืดอยุ่งและขโมยทับนโลก็ปกติการให้การสงเคราะห์ที่เราเป็ น, นการจัดโลภะความโรคปิดสมองว่าขาดหายไปจะทำโลกแล้วก็เรื่องการที่สองอารมณ์ตัความโกรธความโกรธเองอย่างยากเขาตัดเป็นชิ้นห้าและชิ้นแปดชิ้นสี่ชิน 40, ช้นสองชหนึ่งชิ เพราะวาสินี้มีทั uh ้งด้านใสเมตตาความนักอุนาความสงสารแล้ว่าตัดความโกแอย่างกลางก็ให้ก็มีหานสี่ยึกับสิงสี่ตัดความโกอย่างสูงสุดจะอาศัยนิภานายางบุโดุลรวความว่าประการปิฎกเนื้อหาทางตัดความโกอย่างหยาบงดงไม่ด้ การทรงเห็ไม่ได้ความโกวธให้หมดไปเป็นการยักยั้งความโกรธถ้าติจะยับยังความโกรได้บ่อยๆไม่ช่าความโกรธก็จะลดตัวลงเราจะสามารถจคุมอารมณ์ที่มีความฝ่อลใสไม่ได้ในการเรียบบริบาลก็ต้องหนึ่งตัดความโลภออกจากใจสองตัดความโกรออกจากใจและสามตัดความหลงออกจากใจ าาการแตกความหลงนี่พระพุทกเจ้าแนะนาให้คิพิจารณาตามคว า, าิงจริงที่เราหลงหน่าที่สุเรือนี้ก็คือรูปจะเป็นรูปคนก็ดีรูสัตว์ก็ดีรูปิก็ดีเป็นสิ่งที่เราหลงกันมากหลงสู่รคนสวยมีความสง่าปาเยมีความต้องการในทุกคน หลนรูสดสวดชิญงามมีความงามรมีความต้งการในรูปแต่การลงมนรูปมีความสวยสดแลงามย่าง้นปอกขันต่สิ่งทั้งหลายลงนี้ที่ถึงวันลงแปอว่าคนผู้ดีศักดิ์ศรีวัตถุศรีไม่มีความสยจริงสิ่งที่เราเห็นเสวยในความจริงมันเป็นของหลอกตาที่เราถือฝ่ายนอก ภายในร่างกายของคนบาคนเป็นไปสกปรกโสมมีน้ำเลือดน้ำเนหนืองน้ำหนองสารปัสสาะวะเป็นสิ่งที่น่าเสโซโคโีเพราะว่า ร, ร่างกายของคนยิงๆแล้วจะที่ว่าท่วมเทินได้หรด้ว่าท่มจะสากว่าถ้าเราท่วมแล้วแข็นของอย่างเดียวคือทิ้งิงโซคโคโอยูอ่ใร่า ร่างกายของเราได้ใส่พ้องสกปรกเข้ามาสุกันหาประมาณนี้ได้ึลโวมองผลิตภัณใจยังว่าไอ้การที่มองร่างกายคนว่าสวยนั่นเป็นการหลอกตัวเองไม่ได้ใช้ปัญญาที่ต้องไปเป็นายความสิ่งว่าร่างกายทุกคนมันสะอาดหรืสกปรกว่าเอาซ้อนกับทุกงานเพราะร่างกายคนมัดีต้องตัดไปดีู้อีสูบไดีมัน pues ก mm ็ดี <Yeah. S 2> จากใหม เวลาที่การงานเข้าไปกราต่ายความเศร้าหมองความทุกข์โกมก็มีมาถุกวันยังคงเห็นในไงว่าเป็นหลวงสาวก็เคยตวทีกงานโรคกำแ่งใบก็ไปความอิจฉาก็่างไกลอยู่แค่ตกายผมแล้วก็ไม่ดูแลเราก็ไม่จะไปดูจะพบเห็นว่าข้าวฟังสิ่งรังที่คนแก่ไม่ดูที่มันอะไรเราคนหลอควรูเอง ในเมื่อแก่เรก็อยากหาจิตสุดควาแก่จะมีก็หาไม่ความเจ็บปวยไข้ไม่สบายก็เกิดมือกระไดตายของผมแต่เมองคนปวยไม่ไปมองคนป่วยปวยนักท่ไรเราก็มอยากมองเพาะมนน่ไห่แฟร์ถ้าไม่ได้ตกคนนี้เขาก็ต้องตายแล้วเขาตายแล้วเขาจะพยายามตยังให้ให้ที่ยัมาหาความจริงอะไรพวกได้เจอรู้คนคนดีรู้ใจคนดีรู้มือดูคนดี มีสภาพของตัวคือเป็นแสงและความเที่ยงอย้า <c oughs> ไม่ไหวเมื่อป็าคุยสดทุกงานที่พันของใช้สอาทีงานไหวก็ใบซีอีพีางทุกกงมก็ยังแปลกี่ความไม่เที่ยงใอนสิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงแต่ทุกกรมอย่างเดียวและมีการป่วยไข้เป็นบายปรากฏที่เราไม่ตองการและมไม่ได้ตกแต ถ้าเราไมยลงไหลไปฝันกับร่างกายที่มันเป็นเ่าเป็นพวกเราเรามีม่ร่างกาย ร, ร้างกายมีในเราิด่ว่าจริงร่างกายนี้มันมีสภาพนั้นเรื่องร่างที่อาศัยโชคลาวท่านั้นเรียกว่าทำไปจริงๆก็คล้ายกับบ้านเช่าบ้านเช่ากตัญญาทามเช่าเามื่อไรเราต้องสปทันใด ร่างกายที่เรเกิดมาล้มนาตันกิเลสตัณหาพาทางสังสมขึ้นเรือเส้างเมื่อของเสรังเราเยอยู่กับความเ ล, ลวเราก็ต้องมีแตยความทุกขาคกามสวขไมได้แต่หมดสัญก า, ารอยู่เือไรร่างายมรรคกันเราผิที่ราฝาอยู่ในกายนี้ก็กำลัโถูกพบสูญสัตนแม้แต่ความดีทั้งปวงสูญไป จะนั้นรู้เลยจ้าที่แม่นำมาทุกคนจงใช้สัญญาพิจารณาทางความเป็นจริงที่เรียกว่าวิปัสสนาญาวิปัสนาญาเรียกว่าการเปนจริงและไม่มีอะไรเีงยอมรับนกเสียกดูความเป็นจริงเท่านั้นเองคนเราที่ทุกเวลานี้ก็ว่าใช้การไม่ยอมรับมักเสียทางการเป็นจริงชอบหล่อชอบดูชอบหลอนใจกันใจกันตัวเองจนการทีเก็มาาให้เลดี เราต้องตัดสิ้นใจ ต, มตามนิยมต้องเด็ดจินาสีสงสารก็เราจะไม่ยอมรับนักผีคือไม่ยอมหลงไหลฝ่ฝันในรูปสิงิ่ว่าเป็ น, นัมผัน ใ, น ใ, ใดๆทัมม้งหมดพยายามค่อยลอๆลดทิศสิตจิตอน้อยๆอยไม่ใจ่วันเดียวจะตัดหมดถ้าวันยังตัดไปไม่ได้จริงๆก็ตั้งใจว่าเป็นอาหาความถึงน่าใจเลยมันไม่มีตร น, น้ง การไม่ดีมันเพื่พบด้พบความไม่ดีก็คิดเป็น่าชานี้มัเกิดมี่ากายก็มีไปมันจะกินก็มักินมันจะนอนก็มันนอนมันจะหนาวหาเคื่ออุ่นมันจะ่มันร้หาเครื่อย็นมันมาถ้าร่างกายนี้ทาอะไรแล้วร่างกายจะชมีเราจการมันดีได้เราต้อจงการมันก้โลกมยโลกจนโลกสุดที่เราต้องการมีสุดเดียเสุดไม่ใคร ถ้าขาดสิ้นใจอย่างนีไว้ทุกคนทุวันแล้วก็จะมองเห็นความโลภเป็นท้องสงบโาภเร็นท้องสงกความหลงเป็นห้องสงทเป็นอ่างนี้นานสิ่งถ้าอยื่ในร่างกายผู้อะไรคนดีร่างกายผู้คนดีดีมีสภาพของตาสดเป็นมากแล้วก็เบื่อน่ายถ้วเบื่อร่างกายเมื่อไรกขเป็นพันเมื่อไรเวลาสามนาทีตอนนี่ไปขอแนะนำผู้ปฏิบัติใหม่ สันอยากส่ามาปฏิบัติใหม่ให้ทางใจกันนี้ <c oughs> เอลาที่มีเราใช่คำภาวนาวัานะมาระทเลาให้ใจเข้ า, านึกวนะมารเอลาให้ใจออกนครับทะเวลาที่ภาวานาก็ดีรู้ลมนิสัก็ดีปล่อยใจตาสบาสบายไม่ต้องทำสมาธิใอ้สูงทำสมาธิเบาาแบบสบายสบาย ใ <stream confer dles> ั้ขณะที่ภาวนาอยู่รู้ลมหายใจก็ออกยมจมญาตินึกยารู้ใหญ่เห็นอะไรทั้งหมดถ้าไปอยารู้อยาเห็นเข้ามันี่ไม่ได้รี้ไม่ดเห็นก็จตสุขใจนัสาทุนแรงใจเป็นปกติที่บ่าการที่ภาวนาอยู่ว่าตัวใรมันจิตลงตัวเมื่อจิตลงตัวแบบเ่าๆที่เรียกว่าอุปจารสมาธิอะอปติ เมอารมจิตชนิดเกิดขึ้นจะเห็นภาพอยู่บนทิี่ฉันได้ยินเสียที่จนพการเรงการเห็นกันรู้เนี่ยการเห็นนี้ต้มาจากความคิดจิตวิญญาณจิตวิานี้ไม่หยดแปรู่วงตาเป็นทิศจิตวิานี้ก็จะรู้แลวมีความรู้ทางใจคล้ายธาตุพิษไว้กัทิบรดาท่านหลายนั่งอยู่ที่นี่ ให้มาถามว่าบ้าคคนเขาท่านมีรูปกลางลักษณะดยังไงทุกคนตอ บ, บททอบได้บ้ า, วบานว่า เ, เป็นทาสีร้เปล่าท่านตอบได้บ้านก็ท่านมีรูปลางท่านสีสันมันละสุดคนแบบไหนเป็ตือเป็นไม้ท่านตอ บ, บได้ที่ตอบได้เด็นทุ่งท่านนั่งอยู่ที่นี่ท่านมาดีทบ้านของท่านแล้วว่าใจนั่งรู้ข้นี้มีคนมาชั้นได ต่ชุดปฏิบัติปัญญยเั็นการระดับแรกขยานยาที่ตกมันรู้จักใจมีความรู้สึกถูกต้องเ้ามาที่ดีขึ้นการปัดลมดีขึ้นก็เห็นภาพภาพเป่ยนแปลกขนมชัดเจนนะ้ารต่อสินใจมั่นแน่แน่วก่าการเกิดเป็นทุกข์จริงแปลเป็นทุกข์จริงตายเป็นทุกข์จริงการักท่าของรักของทัใจเป็นทุกข์จริงเราไม่สนใ จ, จกับร่างกายนี้มไรมันใหาภาพเียเป็นสช่ไหม ดังนั้นสมเด็จพระพุทธบริสุทป็นศาสตร์ตา่างนี้และจงขณะที่ภาวนะออาเห็นยาเห็ยาอยากเห็นนะข้อนใหเห็นหรือไม่เห็นไปได้จะเป็นได้วันนี้ก็เป็นเป็นเวลาที่ผู้เนี่ยนเข้าไปแนะนำทานตอนนี้ไปจะหยุดทำหน้า น, นาแต่สู้เองเอาเองมีชิ้นยาคลิกมายาปึงดวงตา <c oughs> นั่นเป็นเวลาที่ผู้เนี่ยนำจะเข้าขไปแนะนำท่านถึงหน้าของท่า ทุกคนแล้วรากก็มีคนไปนังงน่งทางานเวลานั่นให้หยุดกรามวิญาณเสียแล้วก็ไม่สนใจก็หลงใจก็ออกปอยใจสบายๆแล้วหลังจากนั้นถ้าคนผู้แนะนำเขาแนะนำได้ยังไงตัดสินใจไปธานั้นหมายความว่าอะไรเป็น ท, ทุกคนไม่ทำหนี้ว่าทุกจริงๆอะไรทียตกใจติดใจเช่ปัญญาที่ติดนาวิถุมันกจริงไหมใครตกเียแล้วก แต่ต่อที่ไม่ไปเขมรดาเป็นพุทธวิชาสีงหลายส่้างคายให้จวงจตองจิดให้มันสำหรับท่านคนใหม่สมุทรสู้ลมไม่ใจขออกให้ใจคลายในคันละม า, าให้ออกนวันพระสำหรับท่านมีปฏิบตลลัติได้แรกหลักแรกต่อมาวันที่เป็นหักที่สองคือจะพาท่านแนะนำท่านไเชื่ออัในตริานภรมโลกและไปสวนนักปัญญายงในโลกนันจเป็นพระจ้า ในตอนนี้ของบรรดาท่านก็ติดสารได้จนให้รวบรวมกำลังใจใช้กำโร ง, โรงรน า, าทางวิจารมาแล้วแนะ่ใจจับพระรูกปสมระองค์คงจะต้องปฏิบัติแกลให้แคสกินเกินไถ้าทำได้ยานีิมีการอ่องเทียบไปในผู้องศาท่านจะต้องแอบมากตอนี้ไปเขาต้องทำเริ่อปฏิบัติ